เจรอนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันแรมส5ห้าค่ำเดือนสี่เป็นวันพระวันธรรมบสวนณะวันฟังธรรม เป็นวันที่ท่านสาธุชนผู้มีความศรัทธามีความแน่ว แ, แน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติมาบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรม และด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการที่จะนำพาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้มีความสุขให้มีความอิ่มมีความพอโดยธรรมเนียมพอเป็นวันพระก็จะมีการสมาทานศีลกันคือจะมีการรักษาศีลตามกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของแต่ละท่าน บางท่านก็รักษาศีลห้าบางท่านก็รักษาศีลแปดบางท่านถ้ามีเวลาว่างก็ออกบวชเป็นพระก็ถือศีล227ข้อความจริงเรื่องของการถือศีลนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องถือแต่เฉพาะวันพระเท่านั้นความจริงแล้วศีลนี้ควรจะรักษากันเป็นปกติตลอดเวลา ทุกวันและไม่จําเป็นจะต้องสมาทานไม่จําเป็นจะต้องมาวัดเพราะการจะมีศีลนั้นไม่ได้อยู่ที่การสมาทานแต่อยู่ที่การรักษาคือถ้าเรารู้ว่าศีลมีอะไรแล้วเราอยากจะรักษาศีลเราก็ตั้งสติว่าวันนี้หรือตลอดไปเราจะรักษาศีลข้อต่างๆเช่นถ้ารักษาศีลห้า เราก็จะทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าต่อไปนี้จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดประเวณีจากการพูดปดมดเท็จจากการเสพสุรายาเมานี่เป็นสิ่งที่เราสามารถรักษากันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดไม่จำเป็นจะต้องรอวันพระ รอให้มีการสมาทานรอให้มีพระเป็นผู้ให้ศีลก่อนเพราะนี่เป็นเพียงพิ ธ, ธีกรรมเท่านั้นเองเป็นการตอกย้ำความเข้าใจและเป็นสัก ข, ขีพยานว่าเราจะรักษาศีลข้อต่างๆกันแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของศีลธรรมและอยากจะรักษาไปเรื่อยๆ เราก็สามารถรักษาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนศีลนี้โดยลักษณะก็มีอยู่3มลักษณะด้วยกันคือหนึ่งคือสมาทานศีลอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่เรากล่าวคําตั้งใจว่าจะรักษาศีลหข้อด้วยกันเราเรียกว่าสมาทานศีลคือมีการกล่าวด้วยวาจา และมีการบอกศีลโดยพระภิกษุแล้วก็เป็นสักขีพยานร่วมกันว่าจะรักษาศีลทั้งหข้อนี้ไปนี่เรียกว่าสมาทานศีลศีลอีกลักษณะหนึ่งนี่เรียกว่าศีลวิรัตคือมีความเจตนามีความตั้งใจที่จะรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายๆข้อเราก็ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของเราโดยที่ไม่ต้องมาวัดก็ได้ไม่ต้องมีพระเป็นสักขีปญญาณก็ได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นศีลวิรัติคือเป็นความตั้งใจของเราที่เราจะรักษาแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าต่อไปนี้จะเป็นเวลากี่วันกี่เดือนก็สุดแท้แต่ ก็กำหนดไปแล้วเราก็รักษาไปจะมีกี่ก็มีกี่ข้อเราก็ทำความเข้าใจเอาไว้แล้วเราก็รักษาไปอย่างนี้เรียกว่าศีลวิรัตไม่จำเป็นต้องมาวัดไม่จำเป็นจะต้องมีพระเพราะในบางเวลาเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้วัดไม่มีเวลามาวัดก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสจะได้รักษาศีล เพราะศีลนั้นโดยหลักแล้วอยู่ที่กายวาจาใจนั่นเองอยู่ที่การกระทาของกายวาจาใจออกมาจากใจก่อนแล้วก็มาสู่กายและวาจาถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราเวลาเราคิดอะไรจะพูดอะไรจะทาอะไรถ้าเรารู้ว่ามันไม่ถูกศีลถูกต้องกับศีล เราก็ระ ง, งับดับเสียอย่าไปทํามันมันก็เป็นศีลขึ้นมาเช่นเรารู้ว่าเรากำลังจะต้องพูดโกหกเราก็ไม่พูดเราก็เปลี่ยนเรื่องไปพูดเรื่องอย่างอื่นก็ได้พูดเรื่องบินฟ้าอากาศพูดเรื่องอะไรก็ได้หรือถามกลับไปก็ได้เขาถามเรามาเมื่อเราไม่อยากจะตอบคําถามเขาเราก็ถามกลับไปถามเรื่องอื่นกลับไปก็ได้อย่างนี้ก็เป็นอุบาย ที่จะทำให้เราไม่ต้องไปพูดปดก็สำคัญขอให้เรามีสติรู้อยู่ขณะที่เรากาลังจะพูดว่าเรากาลังจะพูดอะไรถ้ารู้ว่าจะพูดปดเราก็หยุดอย่าไปพูดเท่านั้นเองก็รักษาศีลได้แล้วเช่นเดียวกับการกระทําถ้าเราเกิดความโกรธแล้วเราอยากจะไปทําร้ายผู้อื่นเราก็ต้องระงับดับความโกรธ ไม่ใช่ไปทำร้ายผู้อื่นเพราะการทำร้ายผู้อื่นมันก็เป็นการผิดศีลเหมือนกันอย่างนี้อยู่ที่อยู่ที่กายวาจาใจของเราเป็นหลักศีลลักษณะที่สก็คือศีลของพระอริยะเจ้าหรือของพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญา มีดวงตาเห็นธรรมว่าการกระทำผิดศีลเป็นการสร้างความเสียหายให้กับตนเองและผู้อื่นไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่ก็ตามแต่เมื่อทำไปแล้วผลมันจะปรากฏขึ้นมาในใจทันทีคือใจจะมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจและเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายใดอบายหนึ่งเช่นเดรฉ า, าน หรือไปตกนรกเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทุกๆรูปจะรู้จะเห็นเมื่อท่านรู้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็ไม่มีความกล้าที่จะไปทาผิดศีลเพราะเห็นว่าทำไปแล้วเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเสียมากกว่าได้นี่เป็นของพระอริยเจ้าคือท่านได้ปฏิบัติธรรม จนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วว่าคนเราจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำทางกายวาจาใจานี้เองการละเมิดศีลก็เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายยนะณนะเมื่อเป็นอย่างนั้นพระอริยเจ้าทุกทุกรูปก็จะไม่มีการละเมิดศีลดยเด็ดขาด แม้จะต้องเสียชีวิตไปเพื่อรักษาศีลท่านก็ยอมตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงกล่าไว้เสมอว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามเช่นศีลธรรมเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกในใจของพระอริยระยเจ้าทุกรูป ดังนั้นท่านก็จะมีศีลโดยปกติคือเป็นธรรมชาติจิตใจของท่านจะไม่ละเมิดศีลดยเด็ดขาดอย่างนี้ก็ไม่ต้องสมาทานไม่ต้องวิรัติเพราะเป็นปกติเป็นธรรมดานี่คือศีลที่มีสมลักษณะด้วยกันพวกเราอยู่ในลักษณะไหนก็ขอให้พิจารณาดูถ้ายังสมาทานศีลอย ก็ยังต้องสมาทานไปเรื่อยๆหรือถ้าอยากจะพัฒนาก็จากการสมาทานก็ไปสู่การวิรัชศีนก็ได้คือเราไม่ต้องมาวัดก็ได้บางวันเราอาจจะติดธุระมีความจมเป็นเช่นบางครั้งวันพระจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไม่สามารถมาวัดมาสมาทานศีนได้เราก็ใช้การวิรัชศีแนแทนคือการตั้งจิตตั้งใจ ว่าเราจะรักษาศีลวันนี้เป็นวันพระแต่เราต้องไปทำงานเช่นถ้าวันพระไปตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราต้องทำงานเรามาวัดมาสมาทานศีลไม่ได้เราก็ถือศีลวิรันไปก็มีผลเท่ากันมีอนิสงส์เท่ากันไม่มีความแตกต่างกันหรือถ้าว่าเรามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการกระทาผิดศีล จะพาไปสู่พบชาติที่เลวต่อไปและในปัจจุบันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะรักษาศีลไปตลอดคืออย่างต่ำก็จะรักษาศีลห้าไปพระอริยบุคคลสองขั้นแรกนี้ท่านจะรักษาศีลห้าเป็นปกติแต่ศีลแปดนี้ท่านยังไม่สามารถรักษาได้เป็นปกติ เพราะจิตของท่านยังไม่บรรลุถึงธรรมที่สูงไปก่อนนั้นท่านก็ยังติดอยู่กับความสุขทางด้านรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอยู่เพียงแต่การหาความสุขของท่านจะไม่ทำผิดศรรีลผิดธรรมเท่านั้นถ้าอยากจะมีความสุขมีคู่ครองก็จะเป็นลักษณะประพุทธประเวณีคือจะมีสามีเดียวมีภรรยาเดียวอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าท่านเห็นว่าการมีความสุขทางรูปเสียงกิริยลดโภภพธิภะนั้นเป็นความสุขที่คุกเข่าไปกับความทุกข์คุกเข่าไปกับความกังวลคุกเข่ากับไปไปกับความห่วงใยคุกเข่าไปกับความเสียใจเพราะว่าสิ่งบุคคลที่เรารักนั้นสักวันหนึ่งก็อาจจะต้องจากเราไป หรือว่าในขณะที่เราอยู่กับเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังไปทำอะไรอยู่เขาไปมีความมีปัญหามีทุกข์มีเรื่องราวอะไรรอเปล่าอย่างนี้ก็จะสร้างความห่วงใหญ่สร้างความกังวลให้กับเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเราก็จะขยับขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้น ที่เรียกว่าการปฏิบัติเนคขมมะเนคขมมะก็หมายถึงการออกจากกามสุขเราอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลภภิ่นรสผัวทพะเราเห็นว่ามันไม่เป็นสุขที่แท้จริงเราอยากจะสลัดทิ้งมันไปเราก็มาปฏิบัติเนคขมมะอย่างพวกที่นุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดแล้วถืถอศีลแปด คือนอกจากศีลห้าแล้วก็รักษาศีลเพิ่มอีกสข้อศีลข้อที่สที่เป็นกาเมคือการมีคู่ครองด้วยความถูกต้องตามหลักประเพณีก็จะเปลี่ยนเป็นการละเว้นคือจะคือจะถือข้อที่ว่าอร拉มจริยาเวรมณีหมายถึงศีลบรมจันคือจะไม่มีไม่หลับนอน กับคู่ครองของตนแล้วก็สีนข้อ6ก็คือการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วข้อที่7ก็คือการละเว้นจากการใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมต่างๆหรือการใส่เสื้อผ้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดชาดิและข้อที่8 ก็คือละเว้นจากการนอนบนฟูกหนาะๆนะให้นอนบนพื้นไม้ปูเสือ่อหรือปูผ้านอนเพราะว่าไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับการนอนไม่ต้องการหาความสุขจากการใช้เครื่องหอมน้ําหอมเครื่องสําอางหรือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า ส, สวยๆงามๆไม่ต้องการหาความสุขจากการรับประทานอาหาร แต่อยากจะหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจกมกรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะความสุขที่ได้รับจากความสงบของจิตใจนั้นเป็นความสุขที่เลิศที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเพราะไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยนี่เป็นก้าของพระ อ, อริยบุคคล ทาที่หนึ่งและที่สองคือพระโสดาบันและพระสกิดาคามีท่านเห็นว่าความสุขที่ไดจากการมีคู่ครองหรือความสุขที่ไดจากการรับประทานจากการได้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภร์สวยงามด้วยการใช้เครื่องสำอางน้ำหอมต่างๆและการหลับนอนบนฟูกนานาๆไม่ได้เป็นความสุขที่ประเสริฐอย่างไร ท่านก็จะพยายามละด้วยการถือศีลแปแล้วก็เจริญภาวนาทำจิตใจให้สงบให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มีสติรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิน้นถ้าไปคิดก็ดึงกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมพุทโธ ท, ทำได้ทั้งในเอรียบ ท, ทั้งสี่ คือเดินยืนนั่งนอนเวลาเราทำอะไรถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดอะไรเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจเพื่อใจจะได้ว่างจากความความวุ่นวายจากความอยากต่างๆถ้าเราไม่ควบคุมใจปล่อยให้ใจคิดแล้วพอใจคิดถึงอะไรเห็นอะไรก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อเกิดความอยากก็จะไม่สามารถ รักษาศีลได้เช่นถ้าถือศีลแปดแล้วจะปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอาหารอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไม่มีกําลังพอที่จะทนต่อความอยากรับประทานอาหารได้แต่ถ้าใจไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องอาหารเลยเพราะใจต้องบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้ว ใจก็จะลืมเรื่องการรับประทานอาหารไปโดยปริยายแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อเมื่อสงบเมื่อไรใจจะพบกับความสุขความอิ่มความพอเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่หิวไม่กระหายกับเรื่องอาหารก็ดีกับเรื่องการหลับนอนก็ดีกับเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวการใช้เครื่องสำอางต่างๆก็จะไม่มีอยู่ภายในใจ นี่ก็จะพาให้จิตขยับขึ้นสู่ธรรมขั้นที่สูงขึ้นต่อไปคือเป็นขั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีถ้าเป็นฆราวาดยังไม่เป็นนักบวชก็จะไม่มีความสัมพันยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองของตนอีกต่อไปแม้จะมีสามีหรือมีภรรยาก็ตามแต่จิตใจนั้นไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอีกแล้ว ถ้าบวชได้ก็จะออกบวชถ้ายังบวชไม่ได้ก็จะอยู่เป็นผ้าขาวไปก่อนปฏิบัติอยู่ที่บ้านรักษาศีลแปดหรือถ้ามีเวลาปลีกไปวัดก็จะไปที่วัดแต่เมื่อหมดภาระทางบ้านแล้วคือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลใครก็จะออกบวชและเพื่อจะได้บางเพญสู่ทางขั้ทนที่สูงขึ้นไปต่อไปเพื่อจะได้ หลุดพน้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นได้บรรลุเป็นได้บรรลุพระนิพพานนี่คือการก้าวไปของพระอริยบุคคลเมื่อท่านมีศีลห้าเป็นปกติแล้วท่านต่อไปท่านก็จะรักษาศีล8ปแล้วก็จะออกบวชออกบวชถือศีล227รข้อและปฏิบัติไป จนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เมื่อได้บรรลุแล้วการปฏิบัติทั้งหลายก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงศีลเป็นเครื่องพาจิตให้ไปสู่การปฏิบัติการปฏิการปฏิบัติพาจิตให้สู่การหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นแล้วศีลและการปฏิบัติก็ไม่มีความจําเป็นต่อจิตดวงนั้นอีกต่อไป เหมือนกับยารักษาโรคที่มีความจำเป็นต่อคนไข้แต่เมื่อคนไข้รับประทานยาจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยาก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีความจำเป็นกับศีลกับการภาวนากับการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาอีกต่อไป เพราะใจของท่านนั้นไม่มีความจำเป็นไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไว้ดูแลแล้วเพราะใจของท่านเป็นปกติเป็นศีลปกติคือเหมือนกับพวกเราในขณะนี้ขณะนี้เรานั่งอยู่เฉยๆเราไม่ได้พูดอะไรเราไม่ทำอะไรก็ถือว่าเรามีศีลเป็นปกติเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ตบยุงเราไม่ได้ตีมด เราไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดมดเท็จไม่ได้โกโหกหลอกลวงไม่ได้เสพสุรายาเมาตอนนี้เราก็ถือว่าเรามีศีลเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีศีลเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกแล้วต่างกันตรงที่ว่าหลังจากที่เราลุกจากที่นี่ไปแล้วเรายังจะรักษาความเป็นปกติของเราได้อย่างเดิมหรือไม่ คือยังเฉยๆเหมือนอยู่ตอนนี้ได้หรือไม่เห็นอะไรก็ไม่เกิดความโลภเกิดความอยากเพราะถ้ามาเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปสู่การประพฤติผิดศีลเพราะเวลาอยากจะได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือทําผิดศีลไปช่อกโกงไปลักขโมย นี่คือความแตกต่างของพวกเรากับของพระอาหารหันตสาวกและพระพุทธเจ้าใจของท่านนั้นไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรเลยเพราะใจของท่านมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็รู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้วเห็นอะไรก็ไม่สนใจไม่อยากจะรับประทาน จันใดพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นหลังจากที่ท่านได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแล้วภายในใจก็มีเหลือแต่ความสุขเหลือแต่ความอิ่ม เหลือแต่ความพอเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรมาคอยฉุดลากให้ไปกระทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมท่านจึงมีศีลดอยรบยสุดดังนั้นวิธีที่จะรักษาศีนที่แท้จริงนั้นจึงไม่ได้รักษาอยู่ที่กายและวาจากายและวาจาเป็นเพียงปลายทางเท่านั้นเองคือการกระทำการพูดของเราหรือการกระทำทางกายของเรานั้น เป็นการกระทาตามคาสั่งของใจถ้าใจสั่งให้กระทาในสิ่งที่ดีกายวาจาก็จะทำดีพูดดีแต่ถ้าใจสั่งให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีใจจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกิเลสตัณหาหรือไม่ถ้ามีกิเลสตัณหาแล้ว นักจะพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาหน้าตานี่ก็จะบูดเบี้ยวแล้วเวลาพูดจาก็จะพูดไม่ดีพูดจาไม่สุภาพพูดจาหยาบคายและพูดจาเพื่อที่จะสร้างความเจ็บช้ำน้าใจสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเพราะมีความโกรธสั่งให้พูดนะแต่ถ้าไม่มีความโกรธแล้ว เวลาพูดก็จะพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยไมยตรีจิตพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยวาจาที่สุภาพการกระทาก็เช่นเดียวกันถ้าไม่โลภไม่อยากแล้วก็จะไม่ไปทำในสิ่งที่เสียหายแต่ถ้ายึดโลภหรืออยากหรือโกรธก็มักจะไปทำในสิ่งที่เสียหายดังนั้นสินที่แท้จริงจึงอยู่ที่ใจกายและวาจาเป็นเพียง เครื่องมือของใจถ้าเราจะรักษาศีลให้ได้เราต้องรักษาใจของเราให้ได้รักษาใจของเราไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงให้ได้การที่เราโลภและเราโกรธนั้นและหลงนั้นเพราะเราขาดปัญญาขาดแสงสว่างแห่งธรรมเราหลงสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเป็นสิ่งที่ เราจะอาศัยอยู่ไปได้แต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราอาศัยได้อย่างแท้จริงที่จะให้ความสุขเราไปเสมอต้นเสมอปลายนี้ไม่มีสิ่งต่างๆที่เราอาศัยอยู่มีทั้งให้ความสุขและมีให้ความทุกข์กับเราด้วย mm hmm. เวลาเราได้สิ่งที่เรารักเราชอบมาเราจะมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใหญ่เกิดจากความกังวลเกิดจากความหวงแหนและเกิดจากความเสียใจเมื่อสิ่งที่เรารักต้องจากเราไปและตามหลักความจริงไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนั่นเอง นี่คือความหลงเรามองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างคือความไม่ถาวรไม่อยู่กับเราไปตลอดเรามองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่มีอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราได้มาครอบครองและเราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง เพราะจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองเป็นสมบัติผลัดกันชมพอเราตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอยู่ก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปร่างกายของเราก็ไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายของเราเมื่อตายไปก็เป็นสมบัติของสัปะเลอของวัดไปเพราะเราเอาคนตายไปไว้ที่วัด ให้สัปเปล่เป็นคนดูแลแล้วเผาไปในที่สุดก็จะกลายเป็นขี้เท่าขี้ท่านขี้เท่าขีฐานไปนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราจึงเรียกว่าความหลงเมื่อเรามองไม่เห็นเราก็หลงว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีน่าได้น่าเอามาเป็นสมบัติแต่หารู้ไม่ว่าเรากำลังเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเรา โดยไม่รู้สึกตัวถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนที่สอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีรังทาวรไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงแล้วเราเอามาสอนใจเราอยู่เรื่อยเรืเราก็จะเกิดความรังเกียจเกิดความเบื่อหน่ายเวลา เห็นแล้วอยากจะได้อะไรมันก็จะถูกปัญญาคือความจริงนี้มาทำลายความอยากได้ทำให้เราไม่มีความยินดีไม่มีความต้องการอะไรและเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีอะไรมีความสุขมากกว่าคนที่มีอะไรมากมายกายกองเสียอีกแต่เราไม่รู้กันมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวก เท่านั้นที่รู้แต่พวกเราไม่รู้ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเรากับพระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวกแล้วเราจะเห็นว่าท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยนอกจากสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นคืออัฐบริขารที่เรียกว่าบริขาร8คือมีบาตรหนึ่งใบมีผ้ามีผ้าสามผืนมีประก้นเอว มีใบมีดโกนมีที่กรองน้ำและมีเข็มกับได้นี่เท่านั้นที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกนอกจากนั้นแล้วท่านก็จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติแต่ในใจของท่านมีความสุขเต็มที่เรียกว่าปรมังสุขขังพวกเราในทางตนกันข้าม เรามีสมบัติมากมายก่ายกอง น, นับไม่ถ้วนอยู่ในบ้านอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อยู่หลายแห่งด้วยกันแต่ในใจของเรากลับเต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจความห่วงความเสียดายความอะไรเอาวรเพราะเราไปสร้างมันขึ้นมาเองด้วยความหลงด้วยความโลภด้วยความอยากดังนั้นถ้าเราอยากจะ ให้จิตใจของเราได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงได้พบกับความอิ่มและความพอเราก็ต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆพยายามเตือนเราเสมอว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงถ้าเราเตือนใจของเราอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้ว ต่อไปใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆที่มีอยู่และไม่มีความอยากจะได้สิ่งอะไรใหม่ๆม า, ม า, ม า, มาอีกเมื่อเราทำอย่างนั้นได้แล้วใจของเราจะสุขใจของเราจะสบายจะไม่กังวลกับเรื่องราวอะไรทั้งสิ้นเวลาถึงเวลาที่จะต้องจากใครไปจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้จากเราไปเราจะรู้สึกเฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่ได้ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือจะให้ความสุขกับเรานั่นเองนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติดังที่พวกเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ มีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการฟังเทศฟังธรรมและมีการปฏิบัติธรรมเป็นวิถีทางที่จะนำพาจิตใจของเราให้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงไปสู่ความอิ่มและความพอไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มีความมั่นใจ ต่อการดำเนินตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุสมผลบุญที่ท่านได้มากระทากันในวันนี้ <c oughs> จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้แครเอาค่ า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ